ธรรมบทแปลเรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะภาคที่8เรื่องที่254พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรปรารพภิกษุชื่อโกกาลิกะตรัสพระธรรมเทศนานิว่าโยมุขะสัญญโตภิกขุมัตตะ ภาณีอะนุททะโตอัดถังธรรมมันจะทีเปติมะดุรังตัดสะภาสิตังแปลว่าภาิกษุใดสมรวมปากมีปกติกล่าวด้วยปัญญาไม่ฟุง้งซ่านแสดงอัฏฐะและธรรมะภาสิทธิของภิกษุนั้นย่อมไปละดังนี้ตอน พระโกกาลิกะเกิดในนรกพระดาพระอักราศวกเรื่องได้มีมาแล้วในพระสูตรว่าครั้งนั้นแลภิกษุชื่อโกกาลิกะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเป็นต้นถึงคำอธิบายความของเรื่องก็พึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวไว้แล้วในอัตถกถานั้นแหละ เมื่อพระโกกาลิกะไปเกิดในปทุมะนรกแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงตามว่าโอ้ภิกษุชื่อโกกาลิกะถึงความพินาศเพราะปากของตนขณะที่เธอด่าพระอกราสาวกทั้งสองอยู่นั่นแลเพ่นดินได้เปิดเป็นช่องให้แล้วพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัส ถามว่าขณะ น, นี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายรามทูลให้สงสาบจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อกโกกาลิกะพินาศพระปากของตนในบัดนี้เท่านั้นก็หากมีได้แม้ในการกร่อกโกกาลิกะก็ชิบหาย เพราะปากของตนเหมือนกันเมื่อภิกษุใครจะฟังเรื่องนั้นทูลอ้อนวอนจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเพื่อทรงแสดงเรื่องนั้นว่าตอนหงสองตัวพาเต่าไปถ้ำของตนในอดีตการเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระน้าแห่งหนึ่งในป่าหิมะหวันลูกหงสองตัว ไปเที่ยวหากินผูกมิตรกับเต่านั้นเกิดสนิทสนมอย่างแน่นแฟนวันหนึ่งหงถามเตาว่าเพื่อเหนยพวกเราอยู่ในถ้ำทองนะที่ราบแห่งภูเขาชื่อจิตตากูดในป่าหิมพานเป็นสถานที่น่ารื่นรมท่านไปอยู่กับพวกเราไหมเต่าไปได้อย่างไรล่ะหง พวกเราจะพาท่านไปหากท่านรักษาปากได้เต่าเพื่อเหนยฉันทําได้พาฉันไปเถิดโฮงทั้งสองจึงบอกว่าตกลงแล้วให้เต่าคาบท่อนไม้ท่อนหนึ่งส่วนตนคาบปลายไม้ทั้งสองข้างนั้นแล้วบินไปในอากาศตอนเต่าร่วงจากท่อนไม้ที่คาบตกลงมาตาย พวกเด็กชาวบ้านเห็นหงพาเต่าไปอย่างนั้นจึงพูดกันว่าหงสองตัวใช้ท่อนไม้หามเต่าไปดังนี้เต่านั้นอยากจะบอกว่าก็สหายทั้งสองพาเราไปเองเรื่องนี้กงการอะไรของพวกเองเล่าให้พวกเด็กเปรตชั่วเต่านั้นจึงปล่อยปากจากท่อนไม้ที่ตนิาบไว้ ในขณะมาถึงเหนือพระราชนิเวศในพระนครปารณาสีตกลงที่พระลานหลวงแตกเป็นสองซีกพระหงบินด้วยความเร็วตอนการพูดมากไม่ถูกเวลาให้โทษพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วได้ทรงแสดงพระหุพานีชาดกในตู้กานิบาตนี้ ด้วยคาถาว่าเตาขยับจะอ้าปากตอบได้ข่าตนแล้วหนอเมื่อข้าท่อนไม้อยู่ดีๆมาฆ่าตนด้วยวาจาของตนเสียข่าแต่พระองค์ผู้กล้าๆประเสริฐในหมู่คนคนฉลาดเห็นเหตุ น, นี้แล้วควรเปล่งวาจาที่ดีไม่ควรพูดเกินเวลาพระองค์จงทอดพระเนธเธตรเถิร์ดเตาถึงความพินาศ เราพูดมากดังนี้แล้วจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุพึงเป็นผู้สำรวมปากประพฤติสม่ำเสมอไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบแล้วจึงได้ตรัสประกานี้ต่อไปว่าโยมุขะสัญญโตภิกขุมัตตพาณีอะนุตธาโตอัถัง ธรรมมันจะทีเบติมะตุรังตัดสะภาสิตังแปลว่าภิกษุใดสารวมปากพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงทั้งอัตตะและธรรมะภาสิของภิกษุนั้ น, นไพเราะบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามุคะสัญญาโตแปลว่าสารวมปากหมายความว่ า, วา ชื่อว่าผู้สํารวมปากเพราะไม่พูดคําว่าเจ้าชาติชั่วเจ้าคนไม่ดีเป็นต้นกับคนชั้นทาสและคนจันทารเป็นต้นคําว่ามันตาพานีแปลว่าพูดด้วยปัญญาหมายความว่ า, วาปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามันตาผู้มีปกติพูดด้วยปัญญานั้นคําว่า อนุทัตโตแปล ว, ว่าไม่ฟุ้งซ่านได้แก่มีจิตสงบคําว่าอัตถังธรรมัญจะทีเปติแปล ว, ว่าแสดงทั้งอัตตะและธรรมะหมายความว่าย่อมแสดงอัตตะคือภาสิทธิและแสดงธรรมะคือเทศนาคําว่ามัทุรังแปล ว, ว่าภัยราะหมายความว่า พาสิของภิกษุเห็นบ่า น, นี้ชื่อว่าภารัร้อส่วนภิกษุใด ย, ยกอัฏฐะมาอย่างเดียวไม่อ้างพระบาลีหรืออ้างพระบาลีอย่างเดียวไม่ยกอัฏฐะหรือไม่อ้างอัฏฐะและพระบาลีทั้งสองอย่างพาสิของภิกษุนั้นหาชื่อว่าเป็นพาสิภัยร้อไม่ในเวลาจบเทสนาคนจำนวนมาก ได้บรลุโซดาปฏิปลแล้วแหละเรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ